แต่ละอย่างนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจริญง่ายๆนะอย่างสติอะไรนะพุทานุสติเป็นต้นเนี่ยเจริญง่ายไหมอันนั้นหนึ่งในนั้นนะแต่ว่าสตินี่มีหลายกลุ่มด้วยกันพุทธานุสติเป็นต้นก็คือหนึ่งในองค์ที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้เป็นต้นทีนี้ถามว่าสติเนี่ยที่เรียกว่าความระลึกได้เป็นความระลึกหรือเป็นความไม่เลอะเลือนเป็นความไม่ฟั่นเฟือน นะไม่เลอะเทอะอ่ะนะเรียกว่ามีสติสติอันนั้นอ่ะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นี้เกิดจากปัจจัยอะไรนะถ้าตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจะมีสติที่เป็นสติที่เป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้ในมหาวารวคมหาวารวคสุดสังยุตตะนิกายพระองค์บอกว่าโยนิโสมนัิการในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ถ้าหากว่าโยนิสโมสมนัิการในธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งสติได้สติสัมโพชฌงก็จะเกิดขึ้นถามว่าธรรมะที่เป็นองค์ที่จะทําให้เกิดสตินั้นคืออะไรก็คือตัวสตินั่นแหละเป็นผู้ที่น้อมไปเพื่อให้มีสติพูดพูดไม่ยากทําไม่ง่ายมาดูอีกนะัยยะอื่นๆดีกว่าบอกว่าถ้าหากว่าจะทําให้สติสัมโพชฌงเกิดขึ้นนี่ต้องทํายังไง บอกว่าผู้นั้นต้องฝึกเจริญสติสัมปชัญญะให้ดีๆชั้นแรกนะฝึกเจริญสติสัมปชัญญะสองบอกว่าเว้นจากบุคคลผู้หลงลืมสติสามโคผาบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นสี่น้อมไปในเรียกน้อมไปหาสติโอนไปหาสติมุ่งให้มีสติเกิดขึ้นในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ที่บอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะนี้คงไม่ลืมแค่หนึ่ง 1, สาธกาะสัมปชัญญะสองโคจระสัมปชัญญะสามสปายะสัมปชัญญะสี่ อสัมโมหะสัมปชัญญะศาสตรกะสัมปชัญญะคืออะไรรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์คืออะไรอย่างเช่นเราจะทําอันใดอันหนึ่งสักอย่างหนึ่งเราจะไปไหนสักแห่งหนึ่งจะคุยกับใครสักคนหนึ่งถ้าไปนั่งคุยกันในคำถามแรกก่อนคือประโยชน์คืออะไรนะแล้วถามว่าถ้าถ้าพูดนี้เสียหายประโยชน์ตรงไหนบ้างไหมพูดอย่างไรแล้วได้ประโยชน์พูดอย่างไรแล้ว เสียประโยชน์แค่เรว่าคำหนึงถึงประโยชน์อย่างน้อยที่สุดประโยชน์สามก่อนหนึ่งประโยชน์โลกนี้ได้ไหมหรือเสียหายต่อประโยชน์โลกนี้สองประโยชน์โลกหน้าได้ไหมหรือเสียหายต่อประโยชน์โลกหน้าสามเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งได้ไหมสมมุติถ้าเราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งเอาประโยชน์นี้มาตั้งบอกโอ้ยคนนี้เห็นแก่ผลประโยชน์บอกถูกต้องอะไรถ้าไม่มีประโยชน์ไว้ทําอะไรเอาทิ้งขยะทําไมกองไว้สิก็เพราะมันไม่มีประโยชน์นั่นแหละเลยจึงต้องเอาสุทิ้ง ของอะไรที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเขาทิ้งกันทั้งนั้นแหละเพรานการทําอะไรก็ตามก็ต้องคำ น, นึงถึงประโยชน์ทั้งนั้นแหละประโยชน์คืออะไรประโยชน์โลกนี้ได้ไหมประโยชน์โลกนี้ภายในเท่าไหร่แล้วประโยชน์โลกหน้าคืออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ไหมถึงไปสู่สุขติโลกสวรรค์แล้วเป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้ได้ไหมจากการพูดคุยและสนทนาเหล่านั้นอันนี้ประโยชน์อันนี้ก็ต้องถามขึ้นมาก่อนสอง ถ้าสนทนาแล้วควรจะพูดเรื่องอะไรจึงจะเป็นสปายะเป็นที่สบายหมายคาะว่าธรรมะที่ถูกต้องนั้นน่ะมีแต่ความสบายสบายทั้งโลกนี้สบายเออเรียกว่ามีแต่ความสบายใจไม่ได้เป็นไปเพื่อความหนักอกหนักใจมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายก็เรียกว่าสปายะต่อกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่สบายต่อสมถะและวิปัสสนาอันนี้สัปายะสัม ป, ปชัญญะ ต่อไปถ้าพูดคุยแล้วเจริญกรรมฐานได้ไหมระหว่างที่พูดคุยเนี่ยนะเป็นไปกับสมถะและวิปัสนาได้ไหมที่เรียกว่าโครจรไปด้วยสมถะวิปัสนาโครจรไปตามกรรมฐานด้วยได้ไหมถ้ากําหนดเรื่องดีตั้งแต่แรกเจริญกรรมฐานประกอบด้วยคุยกันไปสนทนากันไปเจริญกรรมฐานไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเลยเนีย่ยนะถ้าถ้ามีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอนะนี่ต่อไปแล้วถามว่าไอ้ที่พูดคุยเนี่ย เสียงที่มันดังขึ้นพ่ออะไรเป็นสมุตฐา น, อ, นนะองค์ประกอบที่ทําให้มีเสียงเกิดขึ้นคืออะไรจิตจิตตชาวายโยธาทำวจีวิญญาตเปล่งเสียงออกมามแล้วจิตอันนั้นโดยอาศัยอะไรวัตถุและอารมณ์เกิดขึ้นจิตโดยเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุและอารมณ์เมื่อจิตเกิดขึ้นแพ่จิตตชาวาโยธาทำวจีวิญญาตเปล่งเสียงออกมา ก็เป็นคลีเสียงคลื่นเสียงที่สูงสูงต่ำต่เป็นเรื่องอะนะก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อมก็กลายเป็นฟังเป็นเรื่องเป็นราวไปอะไรไปแล้วถามว่าในสิ่งเหล่านั้นอ่ะเสียงที่เปล่งออกมาเป็นอะไรขันรูปประขันเสียงที่เปล่งออกมาหรือวิญญาตทั้งหลายก็เป็นรูปประขันจิตที่เป็นสมุทฐานเป็นวิญญาณขันจิตเหล่านั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอ่ะมีความรู้สึกเป็นยังไงดีใจหรือเสียใจอันนั้นเป็น เวทนาขันอ่นะสัญญาในขณะนั้นมีรูปประสัญญาหรือมีอะไรเป็นอารมณ์เป็นต้นก็เป็นสัญญาขันเจตนาแห่งการพูดนั้นเป็นสังขารขันงั้นขณนะที่เปล่งเสียงพูดคุยออกมาก็คือความเกิดขึ้นของขันห้าขันห้าประชุมกันนั่นแหละจึงมีการเปล่งเสียงออกมานั้นเป็นอะสัมโมหะสัมปชัญญะโดยไม่เละเลือนแลย หลงลืมทีนี้ถ้าแยกแยะเป็นรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันชื่อว่ารูปเพราะอธรรมวสลายไปเวทนาเพราะเสวยอารมณ์สัญญาสำคัญหมายในอารมณ์สังขารปรุงแต่งอารมณ์วิญญาณรู้แจ้งอารมณ์ขึ้นชื่อว่าขันนะขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเป็นต้นที่เรียกว่าเป็นขันก็เพราะต่างประเภทโดยเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นขันเหล่านี้เที่ยังไหม ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นต้นเนี่ยนะขั้นการไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมแม้กระทั่งในในกิจกรรมที่เกิดการพูดคุยกันเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะขั้นใครที่ปรารถนาจะให้มีสติสัมปชัญญะต้องต้องฝึกอย่างนี้เลยฝึกเจริญสัมปชัญญะสี่ประการในฐานะเจ็ดประการคือ อัน น, นี้ยกตัวอย่างในการพูดเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าเจริญสติสัมปชัญญะเวลาพูดแล้วถามว่ามีอย่างอื่นอีกไหมบอกว่ายือเออเจริญสัมปชัญญะไม่ว่าจะไปไม่ว่าจะมาไม่ว่าจะแลไม่ว่าจะเลี้ยวไม่ว่าจะคู้เข้าไม่ว่าจะเหยียดออกจะหลับจะตื่นจะพูดจะนิ่งก็ตามก็เป็นไปกับสัมปสติสัมปชัญญะสี่ประการนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สาคัญถ้าปรารถนา ที่จะเจริญธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ทีนี้ทำถามว่าทํำยังไงเราจะเจริญอย่างนี้ได้เพราะบางทีเนี่ยนะคุยไปตั้งนานแล้วเพิ่งนึกออกเออน่าจะเจริญไม่ได้เจริญเลยทําไงดีก็บอกว่าในชั้นต้นเนี่ยนะต้องฝึกตั้งเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะก่อนตั้งเป้าไว้เลยมีเป้าหมายเหมือนเอางี้ดีวกว่าถ้าการสนทนาใดถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ย น, ะน่าคุยไหมน่าสนทนามั้ย จะเจอใครก็คุยไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะหรือประชุมกันก็เจอหน้ากันก็ประชมกันแล้วคุยไปเรื่อยถามว่า ด, ดีไหมไม่ดีอาถามว่าที่จะประชุมกันแล้วมีการพูดคุยไปเรื่องเป็นราวได้เพราะอะไรเพราะมีการวางแผนมีการอะไรนะมีการวางแผนเตรียมพร้อมไว้เสร็จแล้วฉันใดผู้ที่จ ะ, จะเจริญอริยสัพย์สแสวงหารัตนะคือสติสัมโพชงเนี่ยจะไม่มีการวางแผนอะไรเลยหรือ แล้วแต่ว่ามันจะเกิดมันจะเกิดมันก็เกิดมันไม่เกิดมันก็ไม่ต้องเกิดถ้าอย่างนี้ก็เสียหายมากแล้วล่ะเนี่ยนะท่นจะต้องมีการวางแผนว่าทําอย่างไรสติจึงจะเกิดขึ้นก็มาไล่ดูว่าสมมติถ้ามีการขาไปเนี่ยเวลาเราจะไปไหนก็มาไล่ดูมีประโยชน์ไหมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งสองส ป, ปายะไหมเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมไหมสามนากรรมฐานไปด้วยไหม ไอ้ความเป็นไปทั้งหมดเหล่านั้นน่ะมันเป็นขันอายตนะธาตุสัจจอินทรีย์ปฏิจตสมุบัติอย่างไรเนี่ย น, นะก็ะตั้งเป้าไว้คิดว่าคิดก่อนที่จะทำมันนะมีการไข้ควรวนเบ็ดเสร็จแล้วเพราะคําว่าสติสามโพชงที่นี้นะที่นี้เนี่ยหมายถึงสติที่ประกอบประสัมปชัญญานี่นะมีสัมปชัญญะอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ถ้าธรรมวิจัยเนี่ยอ่าเป็ น, เ ป, นเป็นวิปัสสนาระดับสูงละ เป็นวิจัยเลือกเฟ้นเพื่อการตรัสรู้ฮัลผู้ที่มีสติสติสามโพชงก็คือผู้ที่มีสติสัมปชัญญะทวนอีกครั้งหนึ่งนะเวลาไปมาแลเหลียวคูเหยียด น, นะหลับตื่นพูดนิ่งเป็นต้นเนี่ยนะประโยชน์คืออะไรคํานึงไว้เลยนะประโยชน์คืออะไรได้ประโยชน์สามไหมสองเป็นที่สบายต่อสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นไหมเป็นที่สบายแห่ง การเจริญกุศลธรรมทั้งหลายไหมสามเจริญกรรมฐานอะไรควบคู่ไปได้บ้างโคจรไปในสมถะและวิปัสนาอะไรเรียกว่าโคจระโคจรก็คือเที่ยวไปด้วยกรรมฐานนะนะเดี๋ยวเรียนคาคาวิสานะสูตรรายารว่าเที่ยวไปนี่ไม่ใช่เข้าไปแต่ตัวนะไม่ใช่ไปแต่ตัวแต่ไปด้วยกรรมฐานเป็นหลักเนี่ยนะถือเอากรรมฐานเป็นเป็นหลักแล้วก็สุดท้าย อสัมโมหะทั้งหมดนั่นคืออะไรฉะนั้นใครที่เรียนอภิธรรมมัตสังกหะมาก็ท้าในแง่อสัมโมหะสัมปชัญญะนั้น่ะถ้าสง่งเคราะลงได้ค่อนข้างไม่เปรียบสูงคือถ้าเรียนเพื่อเอามาใช้เนี่ยนะเพราะแม้กระทั่งว่าหลับตาลืมตาเนี่ยนะแลเหลียวเนี่ยหลับตาลืมตาเนี่ยสง่งเคราะลงเก้าบริเชษได้ไหมก็ต้องฝึกมาคิดอย่างนี้ไอ้ที่เรียนอภิธรรมัตสังกหะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถามว่าเนี่ย อภิธรรมมัสังกหะเมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ยถ้าจะเจริญอสมัมโมหสมะสัมปชัญญะเนี่ยนั่งําตาเปรี บ, ร บ, รบมีจิตกี่ดวงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสองขณะที่เห็นเนี่ยเห็นเหล่านี้ยมีเจตสิกอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับปิดตําราแล้วมาลองไล่ดูหรือเปิดตําราไล่ดูก็ได้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีกติกาอะไรหรอกอย่างที่สามเหตุกิจเวทนันเหตุกิจฐานอารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไงประกอบไปด้วยอะไรบ้างสี วิถีจิตมีกี่ประเภทที่เกิดขึ้นระหว่างที่เห็นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้พระเชษฐก็วิเคราะห์โดยภูมินะโดยภูมิโดยจุติปฏิสนธิโดยกรรมนะวิเคราะห์โดยกรรมเป็นต้นพระเชษฐหกว่าตาที่เห็นมีกี่รูปสีที่เห็นมีกี่รูปนะรูปแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเนี่ย น, นนะะกรรมมชะรูปจิตตชะรูปวัตุชรูปอาหารชรูปเป็นอย่างไรกะลาบรูปมีอะไรบ้าง แต่ถ้าพูดปริเชตเจ็ดแหละกุศลสังอากุศลสังฆะสัพพะสังฆะนะโทธิปัจิยธรรมสังคหะมีอะไรบ้างปริเชตแปมเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างไรปริเชตเก้าคิดยังไงมันเป็นสมถะและวิปัสสนานี่ย น, นะถ้าหากว่ามีการใ ค, รค่อยควรฝึกฝนในลักษณะ น, นี้มากๆอะสัมโมหะสัมปัญญะก็ก็จะเจริญขึ้น น, น, นะถ้าหากว่าใครที่ปรารถนาจะพิจารณาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งก็ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากว่าไม่ขนาดนั้นเนี่ยนะบางคนก็บอกว่ามีผู้ถามตั้งประเด็นคําถามว่าถ้าจะปฏิบัติจริงต้องเรียนอภิธรรมหรือไม่จริงๆพระธรรมของพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดชื่อว่าอภิธรรมหมดแล้วนะอภิธรรมทั้งหมดนั่นแหละเพราะเป็นธรรมอันยิ่งคําว่าอภิธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมอันยิ่งธรรมอันยิ่งในที่นี้หรือธรรมอันเจริญคือพูดเพื่อการเจริญนะถ้า การแยกแยะได้ก็คือการทำปริญญาธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรจำแนกแยกแยะเมื่อจำแนกแยกแยะได้วัตถุประสงค์ของการแยกแยะเพื่ออะไรเพื่อจะได้โกโก้ใช่ไหมจะได้ดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่สู้เราไม่ได้เราเก่งกว่าเพื่อนใช่ไหมแบกไม่ใช่วัตถุประสงค์เนี่ยนะเมื่อจำแนกแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้จะได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญเจริญอะไรก็เจริญสติไงสติที่เจริญเพื่ออะไร ตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้ตั้งไว้เพื่อนําออกจากกองทุกเนี่ยนะนั่นคือวัตถุประสงค์และเป้าหมายว่าถ้ามีสติคุณธรรมคือสติอันเนี้ยหนึ่งในธรรมะที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้ตั้งไว้ว่าหนึ่งหนึ่งในในองค์ที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้นะทีนี้ถามว่าแล้วคนที่เจริญสติอย่างนี้บ่อยๆถ้าเกี่ยวข้องกับคนหลงลืมสติเนี่ยนะจบเลย เขาบอกเพราะนั้นถ้าอยากมีสติอย่างที่กล่าวไปให้ดีก็ต้องเว้นคนที่หลงลืมสติคบหาสมาคมกับคนที่มีสติอันสุดท้ายที่สําคัญมากน้อมไปเพื่อจะให้มีสติในอิรยาบททั้งสีไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็น้อมไปเพื่อให้มีสติดังที่กล่าวไปแล้วนะตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีสติต้องมีสติต้องมีสติเนี่ยนะเวลาสมัยก่อนเนี่ยเขาตั้งไว้เลยจากนี้ไปถึงโน น, นี่เขาจะต้องเจริญสติอะไรบ้าง โมจากสมมติเดินภายในระยะเวลา20เมตรเนี่ยนะจากนี้ไปอีก20เมตรเจริญกับมฐานอะไรได้บ้างเราลองคิดดูว่าเอ๊ะจากนี้นั่งรถไปถึงบ้านเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะอะไรขึ้นมาบ้าง